นิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินอ่านฟรีดานวน์โหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ดัง g ริน com. U n c o m อมดูเสามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมธานเท่านั้นอนุโมธนาครับร้อนแนมมาชานานไว้วนผ่านฉันพบภูมณานาน้ำพากรรมชั่อดีสร้างเงา ดินฟ้าเปลี่ยนแปลงละปลาใจว่ามีรู้สิ้นแปลแปลพันทินทางสุดช้าเร็วตามกันทีดถูกบันดานด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฟังพื้นดินสู่การดิน